การสร้งธรรมะก็ไมีอะไรเป็นของใหม่วดงคนเ่าทม่ตังคนต่ามันมีอะไรใหม่ั้ังดงกับปากวอนีจะต้องใหม่มันจะเกิดขึ้นมีงพระธรรลงลงของเ่า ความเป็นมาของห้องเก่าเกิดแก่เกิดตายของเกไมีอะไรม่เห้อนมาเป็นของเก่าเมื่อไม่อยากปะรับฟังไม่อยากทาอยากทำอยากฟังขอใหม่อยากทำที่ใหม่เป็นเรื่องของใจคิดเห็นแล้วานแล้วหนแล้วก็ทานลงในมุขทวา ทากานไปนี่มันสุดหลายปีโอเคเปลี่ยนที่หม่ทานเขาจะจมูกลองดูมันจะเป็นอย่างไรหรืจะเอาเข่าทางตาทางหูอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้เขาได้ประโยชน์ดูการหายใจของน้องกันว่าจะดูจมูกเรานี้หายใจมาหลายปีโอเคเปลี่ยนทานหายใจใหม่ปิดจมูงปาเอาไว้ ต่หายใจทางตาทางหูมันเป็นสังเ e ชประโยชน์อาจาจะเป็นโทษถึงตายฉะนั้นการทำทางธรรมะเหมือนฟังที่เจรณาธรรมะเหมือนสั่งที่เรณาของเต่าของจิของเราเนยังล่มยังหลงอยู่ที่เจรณาดูเรืยเป็นให้รู้เห็นเด่นชนัดในสิ่งติดติดัมผัสติดติดข้อ เหมือนตันกัทาอาหารทาลงไปที่ปากทองเก่าอาะไรอย่าลไรร่างกาจะสบายหรือเปิดโตขึ้นตามเลือกที่มันจะเรียนการที่จะมาก็ะทงนองเดียวกันอยากไปคิดว่าเราเคยที่จะนานมาแล้วเคยทำมาแล้วอย่างนี้เราจะเปลี่ยนวิธีใหม่เอาแบบใหม่เป็นความใจจิตของบุคคล เปลี่ยน้เียเราแมาแล้วล้วนแต่ของเต่าทางนั้นโลกอันนี้ผู้หญิงของเต่าผู้ชายของเต่าินตาากของเต่าการเดินก็เอาาเดินของมดเอาหัวเดินนีเดินนะนี่เื่อของเต่าความหุมหลของใจมันยังติดข้องที่ไหนให้มันทีนี้คิดแมา ให้รู้ให้สบายใจตามเป็นจริงในสิ่งเหล่า น, นั้นจิตก็จะปล่อยว่างลากขอนในความติดข้องตามจริเจนานี่ว่าอันนี้เราเคยพิ่เจนาอันนี้เราเคยทําราจะทาแบบใหม่เอารูปใหม่เรื่องใหม่ถ่ายร่างใหม่เข้าถึงเรื่องที่เจกวนเปลี่ยนแปลง มันจะต้องทาไปเยอะกวคนคทางจีงจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเองของมันเหมือนกันกับผลไม้ระยะเสี่ยมันยังน้อยอยู่รสชาติมันเป็นไปอีกอย่างเป็นมะม่วงมีสาดเสี่ยวนิดหน่อยพอเติบโตมาเีียวมากสาดหายไปที่มีนิดหน่อยก็หา ม, มา รถไปอีกอย่างหนึ่งถูกมารถไปอีกอย่างหนึ่งในการที่เจนาเลี่ยนท้งสิตจะํานองเดียวกันทางจิตยังสัมผัสอยู่กับอะไรจะต้องที่นี้ที่เจนาอันนั้นจนหมดเรื่องเหล่านั้นมันจะไปอันใหม่เป็นรูปที่เราเคยที่นี้ที่เจนาบางทีเคยที่เจนารูปมันเป็นอุปาหะนิมิตางจิตดังเห็น เป็นอุกคาหะอ้นเจงไม่เห็นะดาหะก่อตามพคามคปรุงิองในรูปาางแบบคงอย่างอันอย่างนี้ท่านจให้ที่ทาีนิเจราในเรื่องของตายเพจะแก้ไขที่คล่องติจิตมต่างๆเดือยอุบาจัญญ a เดือยธรรมะของพุทธเจ้า เป็นพระอุปัชฌายะสอนเดยวสาโรมานะขาแทนตาเป็นต้นนี่จะเป็นอุบายที่จะให้คุณระบุตรที่นี้พี่เจนาใหสทาบครับว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่ในความหมายแก่ใดพี่เจมาแยกออกดูห่าเป็นของเฉยงามด้วยเป็มของสดสดพี่เจนาตามที่อยู่ที่อาศัย จะเรียว่างามของมันมันเกิดมาจากอะไรหนึ่งเป็นอุบายปัญญาที่จะตองทิ้งเจริญนาแหศาสรัพท์จนถึงตัวว่าเมื่อจิดรู้เห็นเกิดอุปสรรคนิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น ข, ของของิีกูลจิงเป็นของหนยเที่ยงจิงเป็นของหน่วใจตัวตนคนตัดจิงจิตเต้องถอดถอน ละวางอะไรที่เราสมมติมันไหมว่าสิ่งแบบเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะรู้จะเข้าใจละใสจิดออาไปจิตไปข้องมันกลมละใสอีกเพาเหตดใดเพราะมันป่าชัดใาใจจริงจังจิตไม่เกี่ยวข้องกับรูกกาหนดเข้ากระดับไปหมดไปมันไม่มีมีเนืออสีในใจพอจะได้ริดในที่แกรนหมายถึงว่า ยังจิตที่ยังพอบริบูรณ์ในการพิจารณารูปเพราะนั้นยังเพอบริบูรณ์อย่างนั้นเวลาเราเคยพิจารมามาเคยรู้เห็นเคยเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตจะยังจุตในสวยในงามในขีดในเลยยังหลงยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้โดยไม่พอใจตามเป็นจริงของมันนั่นคือจิตยังพอในรูปแต่ตองพิจารณารูป ใพอแล้วมันจะเกิดปัญหาเราจะพิจารณาอะไรต่อีกเหมือนกันกัอไฟแต่ที่ว่มันยังอยู่ทีนได้มันก็จะต้องไหมหรือเห่ียดไปถ้ามันเชื่อมันหมดมันก็ไหมไในได้ทานอาหารรเหมือนกันเหมือนันยังไม่อิ่มถึงแม้ว่าเราจะทานมามื่พอต้องควรแล้วก็ตามแต่ทานยังไม่อิ่มมันมีอยู่ไม่รู้ในขาดในขันของตัว แต่มันอิ่มแล้วอาหารจะยังเหลืออยู่มันก็ไปทานอีกเพราะมันอิ่มในการที่เจนาเขียนรูป ก, กับทานองเดียวกันเพราะ่เจณารูปเพียงพอบรอิบูรณ์มันจะเข้าไปหาเลยธนาความทุกขทุกข์เฉยๆจิตมันจะต้องไปตามเรื่องสัมผัสของจิตเหมือนกันต่อไปเที่มีอยู่ที่ใดมันก็จะต้องใหม้องเผาไปที่นั้น มีการพิจารณาธรรมะก็คือพิจารณาตายใจของตัวเพราะความหลงส่วนใหญ่ความยึดส่วนใหญ่ยึดเร่องตายเรื่องใจไม่ได้ยึดอย่างนั้นอื่นสมบัติทัศานเข่าของเงินทองต่างๆก็เพราะเรามีตายมีใจอยู่เราชิงอยากได้เราชึงหามาที่อยู่ที่อาศัปลูกสร้างใหญ่โตขนาดไหนก็เป็นที่อยู่ของตายของใจถ้าหากอย่านี้ ใจมีแต่ตายก็วเอมีความหมายอะไรเป็นคนตายเป็นต้นจะไปโยนไปกองไฟหรือจะขึ้นลงน้ำไปฝังไปเผาที่ไหนล่างกายตัวเรู้จักอะไรหามีแต่ตายโดยตายเดียวเหมือนมีตายและใจอยู่้าหากจิตยังไม่รู้ไม่ไขยใจตามจริงจริงจริง่องพิจารณาหาเมล็เห็ด แนเรรู้มันเห็นตามเป็นจริงถ่ามันเห็นเด่นชัดตามเป็นจริงแล้วรูปกัะศัเท์แปรูปอยู่กัะศัเท์ะอยู่ไม่มีอะไรที่จะยึดมันต้องทันหมายในพิดในข้องในความเป็นอยู่ด้วยความตายไปเพราะความบริสุทธิ์อของใจใน่ใชยรู้ใน่ใชยนามเผ่อ น, นี้ผู้ปฏิบัติ จะรู้จะเข้าใจเด่นชัดในตัวเองไม่ต้องมีข้อสงสัยว่ามีจิตนี่ถูกอย่างไรเพราะการปฏิบัติรู้เข้าใจในตัวเองคนเห็นโดยตัวเองก็มมีการสงสัยว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรเพราะตาเราดูรู้ทุกสิ่งทุกส่วนเข้าใจทุกสิ่งทุกส่วนเห็นขนาดชัดเจนแล้วจะไม่สงสัยอะไร มีการจะ ท, ำำทําบําเชญทางจิตทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงแน่สอนตัวอยางจะให้พวกเราทุกคนรู้จักเห็นจริงในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นหนักเอาไว้ว่าเป็นทางทปฏิบัติให้รู้ให้พอใจชัดเจนทำปล่อยวางของใจเป็นอย่างไรนั้น ความพ้นจากทุกขเป็นอย่างไรนั้นมัเป็นเรื Won ่องสำคัญหากบำรุงต่านที่นี้ที่แจนะบำรุงรักษาสติปัญญาใจควรกายใจอยู่เรื่อยๆความเจริญของใจจะเจริญขึ้นจนถึงที่สุดหมดทางที่ปฏิบัติต่อไปมีใจทึงขั้นบริสุทธมาอยู่ในวงสมมุติมาอยู่ในธรรม ลงรวมในยืนในความสงบธรรมดาของขอบเขตสมาธิการพิจารณาไมต่อไปหาที่อื่นพราะเราทุกคนสมบูรณ์ด้วยธรรมเจอรุกว่าธรรมสมบูรณ์ระบกพร่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสมบูรณ์อวัยวะทุกส่วนเป็นหญิงก็สมบูรณ์ในเขตของหญิงเป็นชายก็สมบูรณ์ในเขตของชาย ไอ้นี้อะไรที่จะขาดตกบกพร่องแต่คือ่อเป็นคนสมบูรณ์อยู่แล้วขอให้สติสมบูรณ์จิตใจไม่สิดสิดของอะไรใอ้มนีสติตามรักษาไอ้เนีปัญญาสมบูรณ์ที่จะอะไรนะโดยความแยกถายในสิ่งเหล่ น, นั้นศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตัวของตัวเอง ตัวของตัวเมติกตัวของตัวเมตผ่องตัวของตัวไม่เศร้ไเม่มอนันมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหามันเป็นปัญหาอยู่แต่เรื่องของตัวเท่านั้นแฉะนั้นเรื่องของตัวจึงเป็นปัญหาสําคัญเป็นประโยชน์ใหญ่ที่เราควรตั้งใจที่นี้พี่เจะนะทําไมใจวันนี้ยังเย็กเย็นสงบฟัออนหน้าหรือ วันที่ผ่านมาทําไมฟุ่งเฟือยอย่างนั้นอย่างนี้สาเหตุที่มันเกิดมามันมาจากอะไรเต้องสือวิจิตรนาหาสาเหตุของมันเศษแกะไขบํารุงใจดีดีไม่หงเสียไปกําจัดความชั่วเสียของใจให้ตกข อ, อกทางธรรมะทา่านก็สอน ในการละการบําเพ็ญพอใจยังติดข้องจึงมีการละเพอใจยังไม่สมบูรณ์จึงมีการบําเพ็ญในใจของพวกเราท่านทุกคนที่ยังไม่ถึงผลที่สุดจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการที่นิพพยานาอย่าทิ้นะทว่าอันนี้เราเคยนิพพยานาธรรมะเสี้ยนนี้เราเคยสดับรับฟังเราจะได้ฟังแบบใหม่อยากเข้าใจอย่างนั้น ถ้าพอใจอย่างนั้นจิตใจเขาปลวกเราท่านก็จะเนี้หัวนวนปัน่นในนี้อะไรจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในนี้อะไรจะเห็นเด่นชัดพิจารณาอยู่ในตัวนี้แหละรูปธรรม ท, ที่ลราคิดข้องของพิจารณาเดิดสติเดิเดปัญญาพิจารณาดูให้ทีทวนเวลาเดินจงกรม ลราจะกำหนดเอาไส้ของเราออกถึงไวผูกกับเอวว่าไปก็ได้เพื่อจะเหนใจมันไส้จิดไปในทางราคาตัญหาหรือจะกำหนดเต่าขา ข, าของเราเหยียบลงไปในแผ่นดินเป็นเกิดยกขึ้นเป็นตายกำหนดอย่างนี้ก็ไม่จิตทำให้จิตไม่เถอะ ทำให้จิตสงบไม่ฟุ้งคุ้งเป็นทางเสือทางเสียต่างๆมีอุบายปัญญาและแก่จากที่นี้ิเจรณาสอนตัวเวลานั่งมันปวดแฉ่งปวดขากำหนดตัดแฉ่งขาหรือเอาไว้ว่าจะมันปวดแขนเอาไว้นั่งดูมันอยูนน่นั้นนี่เป็นอุบายที่สอนใจตัวให้รู้ให้เข้าใจ สิี่มันเป็นอยู่นั้นเพราะจิตใจสําคัญมั่นหมายเรื่องของกายจริงจังในนีเรื่องอะไรในเคยตัําหนักยินดีสับไมยในเคยหลงไหลกับคนยินดีหรือคนตำหนิเรื่องของกายมีหน้าที่อย่างไรมันเป็นไป ต, ตามหน้าที่ของมันเหมือนตะวันเราจะทําการทํางนานหรือ เ, เราจะนอนเล่นอยู่ก็าตามหน้าที่ของตะวันมันจะขึ้นแล้วก็ เดินเรื่อยไปจนกระทั่งรับตกมืดเป็นกงคืนมามีการเกิดของกายก็ทำนองเดียวกันมันในมีความลุ่มหลงกับเรื่องของจิตเราจะบำรุงบำรเรือจะท า, านุถนอมขนาดไหนความแก่ของมันมันจะต้องแก่นี่ไปไหลเข้าไปสู่ที่สุด คือความตายเท่านั้นอย่ไปสาคัญหลุ่มหลงขนาดไหนมันจบเป็นไปอย่างนั้นเราจะทำคุณงามความดีตายกว่ามีอันจะแฉเรื่อยไปเราจะไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆตายมันจบเป็นอย่างนั้นเราจะทําความชั่วกเหมือนกันแต่นั้นเรื่องของตายไม่มีการหลงกับเรื่องของเราเรื่องของจิตไปลุ่มไปหลงไปเพลดไปเพลิน ยังนมอยู่ยังสาวอยู่จิตไปเน่นู้นน่นี้ไม่มีการกำหนดเรื่องของตัวฉะนั้นจิตจิงชั่วจิตจิงเศร้าหมองจิตจิงเพ้อเชิญไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆโดยห น, นึ่งมีสัญญาสอนตัวของตัวมาที่แจงนาว่าไว้ว่ า, วาทุกส่วนในกายมันเป็นอย่างไร ใจมันยังหืดยังยึดยังอื่นเป็นของสําคัญใจจึงไม่ตั้งมั่นใจจึงลุ่มหลงอย่างที่เียตั้หาจะแก้เท่าขนาดไหนขาดเราไม่สำราญสารสงจิตใจแล้วก็ไม่มีวันเบาบางหรือจะแก่ไปต่างจะลุ่มหลงเรื่อยไปเสพเพินเรื่อยไปตาหนัดเรื่อยไป หนีใจอีทถาธรรมะหิวอยู่ตลอดเวลาตาเห็นรูปอยู่ทุกวันทุกคืน ก, ก็ไม่มีการเบื่อไม่มีการพอหูวฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีวนันหย่ยังอยากฟังเรื่อยไปจดหมูบมดิ่มดิ่มดิ่รถก็เหมือนกันมันเป็นไปทํานองนั้นฉะนั้นคนเราจึงยุ่งอยู่ตลอดเวลา แต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายพาะไม่ํำระใจของตัวถ้าชำระใจของตัวแล้วใจหายยุ่งใจหายติดใจหายคิดหายปรุงในทางชั่วทางเสียอยู่อย่างอิสระสะดวกสบายมันคือใจที่เป็นมีมุดหลุดจากสมุดหัวไปไม่ได้ยึด กากับสิ่งใดที่โลกพศติคขคนที่ฝึกอบมตัวอย่างนั้นมีจํานวนน้อยที่จะเห็นจะเป็นแต่นั้นคนที่ทําได้ฝึกได้เป็นได้อย่างนั้นจึง เ, เป็นอัศริยมนุษย์คือมนุษย์อัจฉรยะทั้งศีรษท่านมีหูท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างของท่านมีเป็นสติหรือ เ, เป็นบุรุษ ก็มีสมบูรณ์ในอาวี ย, ยาประเทศต่างๆแต่ท่านก็อยู่ได้สะดวกสบายไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เหยอไปตามยืง่งของโลกเพราะอาศัยธรร ม, มะสิ่นศึกษาอาศัยธรร ม, มะทิ่งศึกานี้ที่เจรนายิบของท่านไม่หวั่นไหวไม่ลหลงไหลไปตาม อารมณ์ต่างๆผ่านจงเป็นผู้ที่น่ากลา้าน่าไหว้หน่าจัการาะบูชาในเหมือนพวกเราธรรมดาไปเห็นอะไรที่ครรักครักใช่เพิดเพลินไปเห็นอะไรที่น่าเกลียดน่าจังก็เกลียดจังโกรธไม่พอใจใน้ใจที่เป็นแบบนั้น <c oughs> มันมีความสุขที่ไหนโลกอันนี้มันมีอยู่ ยี่ทั่วต่างๆตามสมมติของโลกล้วตาเรามีเราก็เห็นหูเรามีเราก็ได้ยินแต่คามผิดข้องของใจมันผิดกันกุฏิมีธรรมะสัพนที น, รร น, ทนีธรรมะถันจึงอยู่สบายจิตปกติสัพพุทธชนธรรมด า, แ, แ, มาแต่ไปแะ่มาสถานที่ใดก็ไม่มีใครของใจผันผีด สถานใดสาระแสงเดอะธรรมฝึกอรมตัวของตัวให้ดีเดนเป็นสุขขดโตอยู่สถานที่ใดมีความสุขใจไปสถานที่ใดมีความสุขใจพวกเราทั่วไปมักอยากเป็นทุกข์โตไปสถานที่ใดกอทุกอยู่สถานที่ใดก็ทุกไปกทุกับมาก็ทุกอยู่กทุก ยิ้ก็ทุกนอนก็ทุกเพราะทุกเรื่องของใจใจจึงควรชำระใจจึงควรสะอาดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรที่จะเป็นัยให้ทุกย่งวเรื่องของใจหากเราไป่งอนเของสคัญ เรื่องห้องใจแล้วก็จะไม่มีทางแก้ไขใจของตัวเองจะมันเว้นสุขอันเปิดเสดเลื่อนลอยเพราะความสุขจะเอาลุ่มหลงเป็นความสุขปลอมๆเป็นความสุขนิดหน่อยเล็กน้อยเมื่อพอใจชอบใจก็สุขเมื่อไม่ชอบใจก็เกิดทุกข์ทับถมเข้าเกิดไปจากใจอันเดียว ถ้าสำราญใจให้บริสุทธิ์เป็นมิมุติจริงจังอาการเหล่านี้จะไม่มีว่าวันนี้ทํำไมเป็นอย่างนี้เป็นอันนี้ทำไมคิดแบบนี้ไม่มีสาหรับผู้บริสุทธิ์เป็นมิมุติจริงจังความบริสุทธิ์จะนั่งกอดตามจะยืนกอดตามจะเดินจะนอนกอตามบริสุทธิ์อย่างนั้นจะตายเหงตายหาท่านก็ไม มีอะไรที่จะเสียไปตามลมปากของโลกขันบริสุดอยู่ตลอดเวลา ม, มีการเข้าการออกการฝึกการอบรมอีกข้หาหัรู้เห็นเป็นจริงแล้วหายสงสัยแต่ที่ทําอย่างพระพุทธเจ้าเข่านิโรธสมาบัติเข่าสมาธินี้เดินจงกลม อย่างตำแบบตำราที่เราเคยอ่านผ่านมานั่นเป็นเรื่องวิหารธรรมของพระพุธทธเจ้าของพระอริยเจ้าเมื่อยังมีธาตุขันธ์อยู่ทุกทองธาตุท้องขันธ์ที่จะบำบัดรักษาก็ยังมีอยู่เพราะเรายังอยู่ในธาตุในขันธ์ถึงเราไม่ใช่ธาตุขันธ์แต่ธาตุขันธ์ยังมีมันก็ยังได้อาศัยกันอยู่ยัง เดือมโยงกันอยู่ถึงในบริหารมันเหมือนกันกับเรองนั่งรถนั่งเรือถึงเราไม่ใช่รถไม่ใช่เรือเป็นคนต่างหากกว่าตัาง้งแต่ถ้ารถเรือมันถูกถนนไม่ดีนรเรือมันติดขึ้นคนที่นั่งอยู่นั้นก่อะโยกน์ประโยชน์ต่างมันเป็นทํานองนั้นแต่คนไม่ใช่เรือเรือไม่ใช่คนท่านทราบ ดีในตัวของฉันอื่เรื่องอาศัยขาดขั น, น, นต้องมีการบริหารทางศาสนาจึงที่ว่ามีหาระทำต้องรู้จักประมาณต้อรู้จักบริหารต้องรู้จักทำเห้พ่อเหมาะพอดีในอย่างนั้นทุกของขาดของขันจะเกิดขึ้ น, นเวลายังอยู่ในขาดในขัน พวกเราท่านไในสาวะอะไรเป็นถาดเป็นถันอะไรเป็นจิตเป็นใจมันท้าเข้ า, ขากันหมดเพราะไม่เคยเคลื่อนในไม่เคยแยกส่วนไม่เคยมองโผลมาภายในตัวนี่แต่มองออกไปทางนอกเหมือนคนวิ่งไหลเงาวิ่งไปเท่าไรเงาก็วิ่งไปเลือ่อยกพราเลยไม่มีเวลาทันจิตใจของพวกเราท่านที่วิ่งออกไปทางนอกก็ทำนองเดียวกัน แต่นั้นจรงต้องวกเข้ามาภายในให้เป็นโอรนยิโกน้อมสิ่งต่างๆมาที่นี่ทีจาอะนเกินจิตใจได้รับอาจทรรมจากที่ได้เห็นได้ฟังต่างๆถ้าจิตใจเป็นธรรมจิตใจใร่ธรรมตาดูหูได้ยินรวนแต่ธรรมทางนั้นเห็นอะไร ีพี่แกล่ะมาสอนใจตัวเองไม่ ล, ลุ่มหลงเชิดเชินหรือดูดายพาใจสิ่งใดทอยู่แล้วมีหลักทาอยู่แล้ ว, หลลวเห็นต้นมไม้ใบหญ้าเห็นอะไรทั่วไปนามาทีนี้พี่แก่นะให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชา ความรู้ต่างๆจากตาได้ดูหูได้ฟังนี่คูที่มี่ทำไม่อดไม่จนเรื่องของธรรมเพราะรูปกับธรรมมีอยูทยอททย่ทั้งส่วนเองคือภายในทั้งส่วนภายนอกมีต้นไม้ภูเขาลึกิ่ต่างๆสิ่เป็นรูปหรือว่าเป็นธรรมนำที่นิ้ิีเจรนาสรุป รวมลงสู่ใจรักเรื่ออนิจจังทุกขังอนาศาศาัตตาเรื่องตันทางนั้นเมื่อจิตเป็นธรรมจึงไม่อดสนจะไปสถานที่ใดตาไดดูหูได้ฟังมีแต่ธรรมทางนั้นความคิดปรุงของใจก็เป็นธรรมมันคิดอะไรปรุงอะไรถานีสติมีธรรมะในใจ อะไรนี่แต่ทาเป็นคนจนปัจจิตจนปัญญาไม่มีหลักธรรมในตัวก็จะอยู่แต่พระพุทธเจ้าหรือแบบตำหลับตำลาคำที่ถ่วงทีต่าไปก็ไม่เห็นธรรมขอใจไม่เป็นธรรม เพรั้นจงกใจของตนให้เป็นธรรมฝึกใจของตนให้เย็นโลกอันนี้จะเย็นฝึกใจของตนให้สุขโลกอันนี้จะสุขฝึกใจของตนให้สงบโลกอันนี้ก็จะสงบหากต่างคนต่างสึกผนอบรมตนอย่างนั้นมีธรรมะทุกท่านประจําตัวแล้วโลกมันสงบ แต่นี่มันเป็นไปไหนได้พระพุทธเจ้านุ่งมัม่นในการสร้างบารมีจะลื้อถอนสันโลกให้พ้นจากทุกข์แต่ก็ลื้อถอนไปได้เฉพาะที่อยู่ในถ่ายที่ยังเหลือหรอหลอดตาข่ายของพระพุทธเจ้ามาพวกพวกเราที่นั่งเต่ากันอยู่เดี๋ยวนี้นี่คือหลอดตาข่ายมาและตัตว์ั่วไปที่ยังมมีจิตใจบริสุทธ์ มือพวกหลอดตาข่ายที่พระพุทธเจ้ายือขนไปไม่ได้ยังมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตาชรูอีกเพื่อยีขนกันโลกเรื่อยๆมาแต่พวกเราไม่รู้ไม่เข้าใจบอก พ, พุบพระพุทธเจ้าจะไม่มีสี่องค์ความจริงปรินิาทานไปแล้วนับไม่ได้ ยังอยู่ใหม่กว่านับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันเพราะสัตว์โลกยังมีอยู่คนดีคนชั่วตรองนี้ต่ต้องมีผู้ดีผู้ฉลาดมาแนะนมาอย่างนั้นก็จะรุ่มหลงไม่มีทางที่จะเดินไปถูกหยุดหมายดา พระพุทธเจ้าก็คือคนรู้ทางรู้แผนที่พระสันสังสา ง, งบารณีมานมนานคนปัจจุบันทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่ทำอะไรเมว่าทางรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ปรารถนาอยากจะพบพระสีอริยเนตรใจในอนาคตสิ่จมาตัดถ้าพบท่าน อย่างความขาดหมายเอาไว้เราไม่ทําอะไรท่านก็ไม่มีการจะทําให้ท่านรู้ท่านเข้าใจท่านมาแหนสอนพวกเราแต่เราไม่สนใจที่จะมาเพื่อปฏิบัติแก้ไขสายใจของปลวกห้องเตง่าพะระพุทธเจ้าสมนาคโคดมป ร, รินิพานไปตัง 2, ้งสองพันห้าร้อยกปีก่อนจะป ร, ะรินิพานท่านตาดเอาไว้ ทำวินเป็นศาสดาแทนเราสถาคตอย่าเสียใจอย่าน้อยใจว่าเกิดใหม่ไม่ทันองค์สถาคขอให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาทำวินยัยตั้งใจปฏิบัติการจัดชั่วบำเพ็ญดีเถอะมักผลจะเป็นต้นบัติของพวกท่านพระพุทธ อ, องค์ยังกล่าวว่าอาการนีโก พระพุทธเจ้ายัางอยู่หรือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปก่อตามไม่ว่าความชั่วความดีเป็นอาการเรี่ยวของที่ใส่ทาชั่ ว, วามเต่ามองขุนมัวเดือดร้อนวุ่นวายแต่เป็นผลได้รับใส่ทําดีจะเกิดสติปัญญ า, าวิชานิมุติไม่ว่าการใดสมัยใดพระพุทธเจ้ายัางอยู่หรื อ, ร อ, รอรปรินิพพานไปแล้ว เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านยิงไม่ควรขาดฝันเ่าจะคอยพระพุทธเจ้าองค์นั้นคอยพระพุทธเจ้าองค์นี้เที่ยก่อนต่างหน้าต่างตาบําเพ็ญภาวนาชำระวิเลตัญหาพระพุทธเจ้าจะเกิดมาหรือตอนนี้มีผานไปก็ไม่เป็นปัญหาถ้าหากเราทำอย่างนั้น ความดีชั่วที่เราทำไปจะเป็นสมบัติของตัวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดมุตแล้วก็จะหายสงสัยว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปอีกมีหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่สนใจมาสำเพอปฏิบัติใน่ว่าคารวะหรือวิสุทสุสามาเณรจึงควรที่นี่พี่แกนาศึกษาตั้งหน้า เร่งความผาดความเคียรอย่าไปคิดว่าถาดนั้นก่อนถาดนี้ก่อนถ้าไปคิดอย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาเพราะเียร์ตันหามันติดตามเราอยู่เสมอจะทำอะไรลงไปนิดๆห น, น่อยๆไม่อยากจะถูกมารจะคิดว่าเอาละขนาดนี้ควรแล้ว เดินขนาดนี้นั่งขนาดนี้นอนเชี่ยก่อื่นนอนทพ่ไคอเอาไหมตื่นอนมาดูนาฬิกายังเดิกอยู่เอาอีกอันตัดตือนพรมันยังเด็กพอลมหัวลงไปนอนอีกสายเกืนไปนู้นแหละขันจังขเสร็จเพื่อค ต่างหน้าต่างตาทำํำพอฉันจังหันเสร็จรู้สึกหว่งหวงเหงาห้านอนทับผมนอนเช้ก่อนตอนได้ถึงค่อยเอามันมันผัดวันประกันภูมิไปอย่างนั้นสําหรับเรื่องของที่เหลือปัญหามานมันจะติดใจได้มีวันเวลาเดือนนี่แบบเดือนหน้ า, นนาวันนี้แบบวันหน้าปีนี้แบบปีนหน้าผลดีสุดก็เลยตายไปฝาก เป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะสติหาผลงานความดีอะไรติดตัวไม่มีนี่คนผิดขาหมายไปอย่างนั้นมันมีโดยเฉพาะกับคนที่ว่าที่เทศอยู่เนี่ยมัเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นคงจะดีกันมักแบบแอบอ้างยังเช่าอยู่สายแล้วนืดออึกแล้วนี่เป็นเรื่อง ่จิตใจใส่จิตจิตอนถ้าทำการเพียงจริงจังเชื่อมั่นว่าทุกคนไปถ้าหาเสียสลาจะทำาจีงจังอย่างต่ำจะต้องได้รับความสงบได้รับความสุขความสบายไม่เสื่อฟัง ทางเสรีภาของมันมันจะเสรีภพขนาดไหนอย่าไปเชื่อมันไม่เห็นความสุขอัศจรรย์อะไรตายก็ขอให้มันตายไปพอเกิดมาตายอยู่ไปวันนี้อยู่ได้วันหน้ามัน ก, ก็จะต้องตายตายเดี๋ยวนี้ดีกว่าตายทางหน้าตายโดยการเทนาดีกว่าตายดยวดการเผชินอย่างอื่นคิดอย่างนั้นยอมเสียสละจริงจังมันจะปวดจะเจ็บขนาดไหน ก่อมีปัญญาที่มิจิจารณาความเจ็บปวดมันมีมาจากอะไรแข่งขาอาไว้เวลาของเก่าแต่เรายังไม่นั่งทําไมมันไม่เจ็บปวดมาอย่างนี้ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นมันจะต้องดับเพราะมันได้อเหมือนกันไม่ดับเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็จะต้องดับเวลาตายแต่เรากลัวสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ไม่มีวันเวลาที่จะไปเจอธรรมะ อันประเสรฐคิดอย่างนั้นตั้งใจทำกันจริงจังยอมเสียสละยึดสู้คนนั้นเชื่อมัน่นว่าจะต้องประสบพพธรรมแต่การต่อสู้กับเวทนาการต่อสู้กับกิเลสตันหากลับมาอย่างนั้นกับการทำ ง, งา่ายง่ายร่วมสบายจิตสัน อา น, นิสงส์เหมือนคนที่ขึ้นเนียทีโชคดีกับเขาได้ใจช น, นะมีความดีใจแต่ต้อยจะสอบต่อยต้กล้วยตอยเงาธรรมดาแล้วไม่ดีใจมันผิดกันความสงบง่ายกับการต่อสู้กับอุปสรรคอันตราย่าสึก ข, ของใจมันยิ่งเสเศิดกว่ากัน การทำถ้าเสียสลาจริงจังอย่างว่าไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องอัศจรรย์หรือจิตยังยึดมั่นเกีเ่ยวข้องกะทัดทานอยู่เมื่อไรเราจะยอมตายเดิยหนีการถอยตับจะสู้ตายใช้จิตสู้อย่างนี้และเอาจริงเอาจังจริ ง, จ ร, งจริงแล้วจิตนั้น จะลงได้รวมได้เห็นอศัศจรรย์ได้คนเมตผ่านการเสียสละถึงจิตจะสงบแล้วนอยู่บ้านก็ จ, จังไม่ถึงท่านที่เกิด อ, อศัศจรรย์จริงจังครูอาจารย์ที่ท่านได้ทำมามาสอนฉันเคยแถบทุกองคเคยผ่านเคยฝึกทุกมันจะเกิดมาขนาดไหนกาหนดที่เจ้าน ยังเอาจริงเอาจังหนีถอยหลังมีแต่ต่อสู้เอาชีวิตเป็ น, ดนเด็กเหมืินทุก์เป็นทุกจิตเหนื่อรวมตัวเข้ายิงจังทุกท์ทีเคยเจ็บปวดรัวแล้วในที่ต่างๆจะหายเหมือนเด็กทิ้ง เพาจิตรวมไม่ยึดไม่ถือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างนั้นมีสติมีปัญญาจริงจังใครความีิจรณาทุกจะเป็นทุกจิตจะเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นทุกเป็นของจริงภูไปเห็นทุกใครจิตไปเห็นก็เห็นอีก นี่การฝึกอบรมใจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงมันฝึกอบรมตัวอย่าไปืิอว่าการเกิดการตายเป็นของสบายเป็นของสุขของดีถ้าหาการเกิดการตายเป็นของดีของดีเศษพระพุทธชัเจ้าท่านมาเรยนสอน ว่าชาติสิทุกขา์าสรายสิทุกข์ขนาธรมดามันเป็นทุกข์แต่เราจะเห็นเป็นสุขสนุกสนานมันถูกดีหรือยังร้องไห้หน้ำตาไหลจุกเต่าเจ้าจุกกูยังเพิดยังเพลินยังหยึดยังดียังไม่เช็ดไม่หลาบอยากห น, นีจากเขามันโงกขนาดไหนเป็นถาดของจีเนียตัญหา ควรศึกษาควรคิดหาทางต่อสู้โดยการสาธิตปฏิบัติเมื่อเราต่อสู้เอาจริงเอาจังแล้วอํานาจของกิเลสปัญหาไม่มีกําลังกล้าเหมือนมัดหากอานาจของกิเลสปัญหามาณที่กล้ากว่าเรื่องของมัดทุกคนจะไปคลอนไปจากกิเลสปัญหาได้ทันทีต่อสู้ เอาจึงเอาจังละตายทัานข่ามไปได้ท่านถึงใดความสุขอันเลิศมาเกิดมาสอนโลกอะไรมันจะตายไปขอให้มันตายไปของเกิดมาตายอะไรที่เหลืออยู่เราจะเอาอันนั้นเป็นสมบัติของเราถ้าทุกคนใส่จิดติดตามและทำจรีเชื่ออย่างจริงใจว่าธรรมะไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยจะรู้ใจเห็น จะเป็นกันขึ้นเมื่อเห็นรู้ธรรมะนี่อยู่ในตัวชั่วดีอะไรต่างๆที่ได้รับได้บำเพ็ญเห็นประจักษ์แล้วก็มีทางสงสัยใช่ผิดขอ้องในการฝึกอบรมธรรมะมาศึกษาก็มีทางแน่สอนเขาได้พอเราเห็นเราเป็นมาก่อนเหมือนคนทิ่ เรียนหนังสมา ก, ก่อนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเขาขเพราะเราเรียนมา ก, ก่อนเข้าใจมา ก, ก่อนมาสอนคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจในแต่สอนคนทิดเขารู้เขาเข้าใจดี ก, กว่าเราหรือทำเดียวกับเราสอนคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเท่านั้นที่เขาจะมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน อรหัตอาหารเพียงจังไม่มีการศึกษาจะไดปศึกษาหาอะไรอีกพอมันถึงขีดเสื่มุดด้วยกันแล้วท่านจะสอนคนที่ยังติดข้องเหมือนพวกเราท่านพอเรายังติดข้องท่านจะสอนเราเป็นนักศึกษาขอศึกษาที่มีพิจารณาทำตามคุณงามคามดีเป็นอย่างไรนั่นไม่มีการสงสัย จะรู้จะเห็นเป็นขึ้นจากตัยวข้องตัวเองฉะนั้นขอทุกท่านตรงนำธรรมะที่อธิบายมาไปปสัทฤิปฏิบัติกมจัดทั่วบำเพ็ญดีเพรจะมีแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะผมเห็นว่าพอสมควรในเวลาพอจอะเพียนท่านี้ในลัน